ที่วัดป่าหัวตลุกวนารามวันที่17ตุลาคม2559เรื่องวิธีรับรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางโดยหลวงตาณรงศักขีนารโยตอบไปในไลน์เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะตอบส่งเข้าไปในไลน์ก็เลยส่งเข้าไปเหตุการณ์ที่วันนั้นที่มี อุ้มาปฏิบัติธรรมหลายคนนี่อยู่ใต้กุฏิกำลังสนทนาธรรมอยู่ mm hmm. แล้วอยู่ๆก็มีงูเขียวตัวใหญ่มาล่วงมาจากไหนก็รู้มาใต้ถุนกุฏิที่ก็กำลังนั่งฟังธรรมกันกำลังสอนเรื่องจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งกับสงจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์ ผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลในจิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความพ้นจากทุกข์ก็ดังสอนก็นอยู่อย่างเงี้ยว่า <c oughs> ให้มันเห็นจิตเห็นจิตอย่าส่งจิตออกไปอย่าหลงเอาตัวเองเข้าไปปรุงแต่งอย่าหลงปรุงแต่งเป็นตัวเองอย่าส่งจิตออกนอกไปรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้ให้รู้ตัวเราผู้รู้ เบีเหมือนสิ่งที่ถูกรู้ต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรู้ธรรมลมตกเนี้สิ่งที่ถูกรู้ทุกขณะปัจจุบันมันเหมือนโทรทัศน์อย่าไปดูแต่ในโทรทัศน์เวลากระทบเวลาเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสอะไรหรือว่ารู้อาการทางกายอาการทางใจอย่างไรก็ตามอย่าไปสนใจรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้ในขณะปัจจุบัน ไห้รู้ตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้เพราะใครเราเป็นคนรู้กับตัวเราเนี่ยเป็นคนไปรู้ตัวเราเนี่ยเป็นคนไปรู้ทุกอย่างเลยไม่มีใครรู้หรอกรูปเราก็เป็นคนรู้แล้วเราก็เป็นคนคิดปรุงแต่งเสียงเราก็เป็นคนรู้แล้วเราเป็นคนคิดปรุงแต่งกลิ่นเราก็เป็นคนรู้แล้วเราคิดปรุงแต่งรถสิ่งสัมผัสลิ้นเราก็เป็นคนรู้เราคิดปรุงแต่งสิ่งที่มาสัมผัสกายเรียกว่าบททัพะ เราก็เป็นคนรู้เราคิดปรุงแต่งสําคัญที่สุดคือประตูใจนี่แนี่คืออาการที่ถูกอาการทุกชนิดที่ถูกรู้ได้ทางประตูใจคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นสิ่งที่ไปรูปเป็นผู้ไปรู้เวทนาสัญญาสังขารเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทางประตูใจส่วนวิญญาณเป็นผู้ไปรู้เรียกว่าวิญญาณอคัญเรียกว่ามโนวิญญาณไปรู้ทางประตูใจ ตอนนี้ถ้าทุกขณะที่นี้เราไปรู้สิ่งใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางประตูใจเนี่ยแล้วเราไปสนใจรู้แต่สิ่งที่ถูกรูก้อย่างนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกมันเป็นสมุทยัยไปเหตุได้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์นี้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมันเป็นมัดมันเป็นวิธีปฏิบัติให้พ้นทุกข์ผลแห่งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง มันทําให้พ้นจากทุกข์เปน็นนิโรธทีนี้เวลาเราปฏิบัติกันส่วนใหญ่เท่าที่น้องตาสังเกตเห็นมันก็เหมือนกับปฏิบัติแบบปัตตุชนทั่วไปคือเวลาทุกขณะปัจจุบันเวลาตาไปเห็นรูปเนี่ยมันจะสนใจแต่รูปที่ตารูปที่ถูกเห็นในขณะปัจจุบันนั้นแล้วก็คิดวิพากษ์วิจารณ์คิดวิตโวิจารอะไรอยู่ในใจต่อรูปนั้นบาทีก็พูดออกไปเลยพูดพูดออกไปกับรูปนั้นเลย โดยไม่เห็นว่าไอ้ผู้ที่ไปรู้รูปนั้นเนี่ยคือตัวเรานี่น่ยผู้ไปรู้รูปนั้นเนี่ยไอ้ตัวเราคําว่าตัวเราตัวเราไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายเราเป็นตัวเป็นตนหรือตัวตนจริงๆของเราหรอกคือวิญญาณขันเนี่ยแต่วิญญาณขันเนี่ยมันก็คือเนี่ยร่างกายจิตใจเรานี่เนี่ยที่ประสมการรวมกันมันก็เลยเรียกว่าเป็นวิญญาณขันเป็นเป็นขันห้าไอ้ส่วนวิญญาณขันในขันที่ห้าเนี่ยมันไปรู้รูปทางตาผ่านทางประตูตา พ อ, อไปรู้รูปแล้วมันก็คนเราทั้งหลายส่วนใหญ่มันก็ไปสนใจแต่สิ่งที่ถูกเห็นไปสนใจแต่สิ่งที่ถูกเห็นแล้วก็ไปวิาพาก์วิจารณ์ไปมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่ถูกเห็นหรือพูดออกไปเลยแต่ไม่รู้ว่าไอ้วิญญาณขันเนี่ยที่มันไปรู้แล้วมันคิดปรุงแต่งอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรมีความรู้สึกต่อต่อรูปที่ถูกรู้ในขณนะนั้นอย่างไร ไ, ไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันรู้ได้ลักษณะอย่างไร ก็รู้ได้มีลักษณับหมืนก็คือตัวเรานี่เนี่ยเป็นคนไปรู้เพราะขันห้ามันก็คือร่างกายจิตใจนี่เองที่เป็นตัวเรานี่นเนี่ยมันเป็นผู้ไปรู้พอ ร, รู้รูปปุ๊บเราก็ไปสนใจแต่รูปแต่เราไม่สนใจว่าไม่สนใจที่จะจิตเห็นจิตยงแจ่มแจ้งคือตัวเราที่ไปรู้รูปเนี่ยมันคิดปรุงแต่งอย่างไรมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไร อย่างเนี้ยถ้าเรารู้แต่รูปนั่นนะเขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะเรื่องจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ดังน้นจิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งเป็นยังไงล่ะคือเมื่อเรารู้อะไรเนี่ยในขณะปัจจุบันคือรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสสัมผัสหรือรสหรือรู้พลิตภัณที่มาสัมผัสทางกายหรือรู้ธรรมอารมณ์คือรู้อาการต่างๆทุกชนิดที่ถูกรู้ได้ทางประตูใจ เราจะไปรู้แต่อาการจะไปรู้แต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้สนใจว่าตัวเราผู้ไปรู้เนี่ยมันมีความคิดมีอารมณ์อย่างไรต่อสิ่งที่ถูกรู้ในขณะปัจจุบันนั้นๆแล้วก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้ไปทําอะไรหรอกสักแต่ว่ารู้เรื่อยไปตอนนี้วันนั้นในขณะที่มีการสอนกันอย่างเนี้ยอยู่ที่เถตุกุติงูก็ลุกมจากไหนรู้ตัวหนึ่งเขียวตัวใหญ่ๆ แต่ลายสีดำๆเขียวๆคนที่กําลันั่งฝาก็แตกตื่นงูงูงูมิตรคนตกใจเรื่องงูพูดแต่เรื่องงูงูว่าฟังทํางูว่าฟังทําก็คนที่เขาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้งูเข้ามาได้ยังไงตรงมาจากไหนอะไรเนี่ยตาก็สังเกตดูแทบจะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวว่ะขณะที่ตามันเห็นงูเนี่ย จิตหรือวิญญาณนักขันเนี่ยที่ไปรู้งูนั่นเนี่ยมันคิดปรุงแต่งกับงูนั้นอย่างไรมีอาการอย่างไรมีการตื่นเต้นมีการตกใจและคิดปรุงแต่งอย่างไรแต่ทุกคนก็พูดขึ้นมาพร้อมๆกันหมดอ่ะพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้้แต่ใครจะพูดอะไรแต่ไม่มีใครเห็นว่าเมื่อตาไปเห็นงูแล้วเนี่ยจิตหรือวิญญาณนักขันเนี่ยมันไปรู้แล้วมันคิดอย่างไร มันปรุงแต่งไว้ยังไงมันมีอาการทางใจอย่างไรมันตื่นเต้นมันตกใจหรือว่ามันมันคิดไว้อย่างไรอู้งูเข้ามาฟังธรรมงูเข้ามาฟังธรรมกรณีที่เราเนี่ยไปรู้แต่ ง, งูที่ถูกเขียนในกระดาษปัจจุบันนั้นแล้วเราก็มีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์ต่อ ง, งูนั้นซึ่งเป็นปกตินะอันนี้ยปกติเมื่อเรารู้อะไรเนี่ยทุกขณะปัจจุบันตั้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ จิตวิญญาณเนี่ยไปรู้แล้วมันจะต้องคิดปรุงปุงคิดมีกวาบมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเวทนาเราก็รู้รู้ความคิดปุงปุงคิดคิดปรุงอย่างไรถ้าเรารู้อย่างเนี้ยถ้าเรารู้แต่ ง, งูนั่นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกแต่ถ้าตาเห็นงูแล้ว เราเห็นจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยมันคิดปรุงปุงคิดอย่างไรมีอารมณ์มีความตื่นเต้นตกใจอย่างไรตงูนั้นอย่างนี้เรียกว่าจิตเห็นจิตเรียกว่าจิตเห็นจิตเข้าใจไหมตอนนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกขณะจิตปัจจุบันเนี่ยเมื่อตาไปเห็นรูปมันจะไปสนใจแต่รูปไปมีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับรูปนั้นไปมีความคิดความปรุง บางทีก็ไปพูดไปพูดกับเขาอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ไ ม, ไม่ว่าห้ามนะเออไม่ใช่ว่าห้ามไปพูดกับเขาหรือว่าห้ามไม่ให้คิดอะไรกับเขาแต่ที่พูดเนี่ยคือเพื่อว่าเมื่อขณะจิตปัจจุบันเนี่ยเราไปเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลินอะไรรู้รสอะไรหรือว่ารู้สัมผัสอะไรหรือรู้อาการอะไรทางใจเราต้องสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่ อ, อยวางที่ใจตลอดเวลาว่า มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจมันคิดอย่างไรอยู่ในใจมันปรุงแต่งอย่างไรอยู่ในใจมีความรู้สึกต่อสิ่งที่ไปรู้ในขณะปัจจุบันนั้นๆอย่างไรรู้ก็ได้แต่แค่รู้สักแต่ว่ารู้ไม่ได้ไปทําอะไรหรอก ไ, ได้แต่แค่รู้สักแต่ว่ารู้แต่น้อยคนมากขนาดจิตปัจจุบันเมื่อเราไปไปรับรู้อะไราตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะปัจจุบันแล้วเราจะรู้ใจตัวเองรู้จิตรู้ใจรู้วิญญาณตนของเจ้าของ มันจะไม่รู้สักทีมันจะไปรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้แต่มันไม่รู้ผู้รู้ผู้รู้ซึ่งเป็นจิตหรือวิญญาณฐานเนี่ยเป็นผู้รู้แต่มันจะไปรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้เขาเลยเรียกว่าส่งจิตออกนอกมันเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์หรือมันเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่พ้นทุกข์จิตเห็นจิตแงแจ่มแจ้งเมื่อรู้อะไรทางตาหูจหมูกนิ้วกายใจในขณะปัจจุบันต้องรู้ที่รู้ทันทีว่า นี่ยรู้ตัวเราเนี่ยรู้ที่ใจว่าจิตหรือวิท ญ, ญาณขันเนี่ยมันไปคิดปรุงต่อสิ่งของกันอย่างไรทําไมรู้ที่ประตูใจรู้ที่ใจละ่ะเพรยรู้ที่ประตูใจก็คือรู้ที่ใจนั่นแหละใจหรือจิตเดิมแท้แท้เนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรหรอกมันเหมือนกับเป็นคันหรือมัดลูกของผู้หญิงเนี่ยเป็นที่เกิดของเด็กที่มาเกิดอยู่ในคันแล้วก็คลอดออกไปมาเกิดอยู่ในครันแล้วคลอดออกไป ตอนนี้ไอ้จิตหรือวิญญาณฐานเนี่ยมันไปรู้อะไรต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องเอามาคิดปรุงอยู่ในใจก็คือขนาดจิตที่มันคิดแล้วมีมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไรขนาดสิ่งที่กระทบนั้นมันก็เหมือนมีเด็กมาเกิดอยู่ในคันแล้วคลอดออกไปมาเกิดอยู่ในคันแล้วคลอดออกไปทีทีก็อด อ, อกไปเรื่อยเรื่อยแต่ใจเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันธสถานใดในไม่มีการเกิดไม่มีการดับคิดไม่มันคิดก็ไม่ได้มีอารมณ์มีความรู้สึกใดๆไม่ได้ไอ้ที่มีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกเนี่ยมันเหมือน เป็นเด็กที่มาเกิดในคันหรือมดลูกแล้วคลอดออกไปเกิดในคันแล้วมดลูกแล้วคลอดออกไปคลอดออกไปส่วนใจหรือจิตเดิมแท้แหรือใจเดิมแท้แนะ่ยดั้งเดิมแท้แท้หรือวิญญาณดั้งเดิมแท้แไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเปรียบเสมือนเป็นมดลูกหรือคันของมดลูกของผู้หญิงไอ้ส่วนความรู้สึกหรือคิดอารมณ์ที่ในขณะที่วิญ ญ, ญาณทักันเนี่ยจิตหรือวิญญาณทักษันไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะมีความรู้สึกหรือคิดอารมณ์อย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นในทุกขณะปัจจุบันเราไม่ได้สสนใจิ่ง ที่ถูกรู้เลยสนใจแต่ตรงผู้รู้คือตัวเรานี่ยแน่ะใจเราผู้รู้นี่แน่ะมันไปรู้อะไรแล้วมันคิดปรุงแต่งววาอย่างไรมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่อสิ่งที่ถูกรู้ในทุกขณะปัจจุบันอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างเจ่มแจ้งจิตอันนี้ก็คือจิตที่ถูกรู้อันนี้ก็คือจิตหรือวิญญาณฐารเนี่ยที่ไปรู้แล้วปรุงคิดคิดปรุงปรุงคิดมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆแล้วก็คิดปรุงปรุงคิด อย่างไรต่อสิ่งที่ถูกรู้นั้นและเมื่อมันไปรู้สิ่งใดแล้วมันก็เอามาปรุงอยู่ในใจเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกมีอารมณ์อย่างไรเกิดขึ้นในใจไอวิญญาณตัวเก่าก็ดับไปจิตหรือวิญญาณตัวใหม่วิญญาณขานตัวใหม่เนี่ยมันก็จะเกิดมารู้เวทนาที่เกิดขึ้นใน ใ, นใจหรือเกิดอารมณ์หรือเกิดความรู้สึกอย่างไรที่มันเกิดขึ้นมาใน ใ, นใจ แล้วมันก็ไอวิญญาณตัวใหม่มันก็รู้เสร็จแล้วมันก็ต้องคิดปรุงปรุงคิดต่ออารมณ์หรือความรู้สึกอย่างไรที่ที่มันมาปรากฏในใจมันจะซ้อนๆกันไปอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะตายนั้นไอวิญญาณขันเนี่ยจิตหรือวิญญาณนักขันเนี่ยมันไปรู้อะไรทางเตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรู้แล้วมันต้องเกิดความรู้สึกเกิดเวทนาหรือเกิดอารมณ์เกิดความคิดตึกตองปรุงแต่งอยู่เสมอตลอดเวลา แล้วดับไปแล้ววิญญาณตัวใหม่เนี mm ่ย hmm. ว e ิญญาณตะขาตัวใหม่จิตวิญญาณตะขาตัวใหม่ก็เกิดบรรับรู้เกิดบรรลับรู้เวทนาสัญญาสังขารที่เกิดขึ้นในใจแล้วมันก็คิดปรุงปรุงคิดคิดปรุงแต่งอย่างไรต่อไปอีกเรื่อยๆไปอย่างเนี้ยถ้าเราเห็นผู้รู้เราดูที่ผู้รู้ที่มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราจะมองมันไม่เห็นหรอกว่าผู้รู้เราจะเห็นวิญญาณตะขาเนี่ยเราจะมองมันไม่เห็น แต่เราเห็นแต่ว่าไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดอยู่ในใจเรานี่แน่มันไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เอามาคิดอยู่ในใจเราคิดปรุงปุงคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไรอยู่ในใจเรานี่แน่แม้แต่วิญญาณขันจิตวิญญาณขันเนี่ยมันไปรู้เวทนารู้ความรู้สึกรู้คิดอารมณ์ที่มาปรุมอยู่ในใจพอมันมี ควรู้สึกนึกคิดอารมณ์มปรุงอยู่ในใจเพราะอวิญญาณตัวใหม่เนี่ยมันมารู้ว่ามารู้ว่ามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรปรุงอยู่ในใจตัวมันเองก็ปรุงต่ออีกอวิญญาณขันตัวใหม่มันก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตัวตอบต่อตไปอย่างเงี้ยเรื่อยไปวิธีการปฏิบัติคือเราก็ตติตั้งอยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจทุกขณะปัจจุบัน เพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะไปรู้อะไรทางตาหูจมูกนิ้วกายใจทุกขณะปัจจุบันมันจะต้องเอามามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือความคิดปรุงแต่งอยู่ในใจเนี่ยตลอดเวลาใจซึ่งเปรียบเหมือนมดลูกแต่มันไม่มีหลอกใจไม่มีตัวใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันเปรียบเหมือนเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีขอบเขตอะไรหรอกมันเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลแต่เมื่อ วิญญาณาขานเนี่ยมันไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑรู้ธรรมอารมณ์รู้อาการต่างๆทํ า, ทาประตูตาหูจมูกนิ้วกายใจมันจะต้องเอามาคิดปรุงปุงคิดมีความรู้สึกนึคิดอารมณ์ต่างๆอยู่ในใจนี่แน่แต่ใจเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลแต่เราเนี่ยว่อเราสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาเราไม่ไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้เลย สิ่งที่ถูกรู้โดยธรรมชาติมันต้องรู้ของมันแลนะ้วโดยธรรมชาติแต่กระทบอะไรทุกขณะปัจจุบนันเราสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจเห็นว่าในใจของเราเนี่ยมันมีความคิดปุงปุงคิ ด, ค, ดคิดปรุงแต่งอย่างไรอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วไม่มีเขาไม่มีผู้เข้าไปสำรวยความอารมณ์ความคิดความรู้สึกภายในใจทุกขณะปัจจุบนันไม่มีใครเข้าไปเสวยไม่มีใครเข้าไปรองรับเห็นปรากฏแต่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น มาเป็นธรรมดาระดับไปเป็นธรรมดาภายในใจของเราเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาระดับไปเป็นธรรมดาในใจของเราจะเป็นอย่างเงี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาส่วนใจเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเป็นความเป็นความไม่ปรากฏอะไรได้แต่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดขึ้นในใจแล้วดับไปมีอะไรมาเกิดขึ้นในใจแล้วดับไป เรื่องจากใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยเป็นเหมือนความว่างเปล่าของจักรวาลใจมันจึงเอาไปยึดไปรองรับสิ่งที่มาเกิดดับในใจไม่ได้เอาไปจับเอาไปยึดเอาไปทําอะไรกับแทรกแซงกับสิ่งที่มาเกิดดับในใจไม่ได้ถ้าเกิดอาการที่ถูกใจมาเกิดเราจะไปเอาใจเนี่ยไปหวยหาไปพยายามอยากได้อาการที่ถูกใจไว้ก็ไม่ได้ พอเกิดอาการใดๆที่ไม่ถูกใจมาเกิดขึ้นในใจเช่นไม่โปรไม่โล่งไม่เบาไม่สบายใจเนี่ยหรือจิตเดิมแท้ๆเนี่ยซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างก็ได้แต่รู้ว่ามีอาการที่ไม่สบายเกิดขึ้นในใจหรือมีความคิดอกุศลใดๆมาเกิดขึ้นในใจแต่ใจก็ได้แต่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดขึ้นในใจใจจะไปดิ้นหล่นผักใสจัดการกับความรู้สึกที่ไม่สบายใจหรือความคิดที่เป็นอกุศลใดๆไม่ได้ใจก็ได้แต่รู้ว่ามีความรู้สึกที่ไม่สบายกายไม่สบายใจ หรือมีความคิดอกุศลเกิดขึ้นในใจใจไปทําอะไรเขาไม่ได้ไปทําอะไรกับสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เพราะว่าใจไม่มีเครื่องมืออะไรเลยใจหรือจิตตั้งเดิมแต่แท้เนี่ยไม่มีเครื่องมืออะไรเลยไม่มีอ ว, ยาวาัยวะใดๆไม่มีรูปพันธุสถานใ ด, ดเลย <Metall ica> จึงไปทําอะไรกับสิ่งที่มาเกิดดับอยู่ในใจไม่ได้สิ่งที่มาเกิดดับอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นอาการได้ถูกใจเช่นว่างโล่งโปร่งเบาสบายหรืออาการที่ไม่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายเนี่ยที่มาเกิดขึ้นในใจ ใจก็ได้แต่รู้ว่ามีอะไรมาเกิดขึ้นในใจแต่ใจจะไปดิ้นลนผักสายอาการที่ไม่ถูกใจหรือพยายามจะเอาอาการที่ถูกใจไว้ใจทำไม่ได้พยายามจะไปจับอาการที่ถูกใจไว้ทำไม่ได้แต่สิ่งที่หลงไปทำได้เพราะอะไรเอาขันห้าไปปรุงแต่งลงเอาขันห้าเนี่ยซึ่งมันมีความปรุงแต่งได้ขันห้าคือลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นรูประขันนามขันมันเป็นความปรุงแต่งได้ เราก็หลงเอาปรุงแต่งเมื่อไปรู้อะไรทั้งตาหูจมูกนิ้วกายใจหรือมีอะไรมาเกิดขึ้นในใจเราก็ลงเอาขันหน้าไปปรุงแต่งสิ่งใดทีのの่ถูกใจก็อยากได้อยากเอาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นงี้ไม่อยากให้มันแตกดับทําลายไม่อยากให้มันหายไปเพราะสิ่งใดไม่ถูกใจเราก็อยากให้มันหายไปอยากให้มันแตกอยากให้มันทําลายหรือเราไม่สามารถทนอยู่กับสิ่งนั้นต่อสู้กับสิ่งนั้นได้เราก็อยากจะให้ตัวเราเนี่ยหนีออกไปหนีสิ่งนั้นออกไปให้ได้ ความเข้าไปปรุงแต่งอยากอยากจะได้อยากจะดูดเอาไว้ในสิ่งที่ถูกใจหรือความเข้าไปปรุงแต่งที่ล้นผักใสในสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยมันเอาขันห้าไปปรุงแต่งเอาขันห้าไปปรุงแต่งส่วนใจหรือจิตตั้งเดิมแต่เนี่ยมันได้แต่รู้ว่ามีสิ่งใดมาเกิดดับอยู่ในใจตัวมันจะปรุงแต่งอย่างไรไปจัดการอย่างไรกับสิ่งที่มาเกิดขึ้นในใจไม่ได้เลยไม่ว่าสิ่งที่ถูกใจนั้นมัน สิ่งที่มาเกิดขึ้นในใจนั้นจะถูกใจหรือไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลใจหรือจิตดั้งเดิมแทบบ้ๆหรือวิญญาณดั้งเดิมแทบบ้ๆนั่นแหละมันไม่อาจไปทําอะไรกับสิ่งที่ถูกรู้ได้เลยแต่สิ่งที่ไปทําอะไรกับสิ่งที่ถูกรู้ได้ทุกเกลียอาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในภายนอกก็ตามไปอยากได้อยากเอาไปเห็นอะไรได้ยินอะไรไปได้กินอะไรไปลิ้มรบอะไรไปสัมผัสอะไรหรือว่ามีอะไรอาการอะไรเกิดขึ้นในใจ แล้วเป็นสิ่งที่ถูกใจพอใจก็เกิดความดิ่โลนทะยาอยากเป็นกิเลสตัณหาอยากได้อยากเอาอยากได้อยากเอาสิ่งนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกใจแต่สิ่งใดก็ตามที่มันเนี่ยไม่ถูกใจรูปไม่ถูกใจเสียงไม่ถูกใจกลิ่นไม่ถูกใจรสไม่ถูกใจสิ่งที่มาสัมผัสกายไม่ถูกใจหรืออาการทางกายอาการทางใจใดๆไม่ถูกใจมันก็เอาส่วนที่ปรุงแต่งเอาขันท่าเนี่ยไปปรุงแต่ง เป็นความเป็นกิเลสตัณหาเป็นความนิรันร์ทยานอยากอยากจะผักใสสิ่งที่ไม่ถูกใจนั้นหรือกําจัดสิ่งที่ไม่ถูกใจนั้นให้หมดไปถ้าไม่สามารถผักใสได้หรือกําจัดได้ก็พยายามที่จะเอาตัวเองหลีกหนีหนีออกไปจากทุกสิ่งที่ไม่ถูกใจมันเลยถูกใจของเราเมื่อเราเข้าใจว่าใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งได้ใจหรือจิต ด, ดั้งเดิมแต่แทหรือวิญญาณดั้งเดิมแต่แทของเราเป็นสิ่งปรุงแต่งได้ เราเข้าใจว่าใจหรือจิตดั้งเดิมแต่เป็นความปรุงแต่งได้เราก็เลยเอาใจเป็นดิ้นรนหมดเลยสิ่งใดที่ถูกใจก็ดิ้นรนอยากได้อยากเอาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้สิ่งใดไม่ถูกใจเราก็พยายามดิ้นรนผลักไสอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้มันไม่เป็นอย่างนี้อยากให้มันไม่อยู่อยากให้มันไม่ให้มันแตกดับทําลายเราเลยมีความอยากและไม่อยากอยู่ตลอดเวลาเราไม่เข้าใจว่าความอยากและไม่ความไม่อยากเนี่ยมันเป็นขันห้ามันเป็นสังขารปรุงแต่ง เราเอาความปรุงแต่งมาหลงปุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแ ต, แต่เราเนี่ยแท้จริงเนีย่ยคือจิตดั้งเดิมแต่แทหรือใจดั้งเดิมแต่แทซึ่งมันปรุงแต่งไม่ได้มันได้แต่รู้สิ่งที่ปรุงแต่งที่มาเกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะสิ่งเหล่านั้นจะถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลจิตดั้งเดิมแต่แทหรือใจดั้งเดิมแต่แทหรือวิญญาณดั้งเดิมแต่แท เ, เนี่ยมันไดแต่รู้มันได้แต่รู้ได้แต่รู้ไดแต่แค่สักแต่ว่ารู้ มันไปทําอะไรไปแทรกแซงอะไรสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เลยพอเราเป็นใจแบบนี้คือใจที่รับรู้ทุกอย่างได้ความเป็นกลางเมื่อไหร่ที่เป็นใจที่รับรู้ทุกอย่างได้ความเป็นกลางสิ่งใดถูกใจก็ไม่เข้าไปดิ้นรนทะยานอยากได้อยากได้อ ย, ไดไดอยากเอาอยากเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้สิ่งใดไม่ถูกใจก็ไม่ไปเข้าไปกุนกิดลาคารดิ้นรนผักใสอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้หรือไม่ <unhappy S 2> อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ ได้แต่แค่รับรู้มันซื่อๆหรือว่าสักแต่รับรู้วันด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปมีความอยากหรือความไม่อยากต่อสิ่งใดนั่นแน่เราก็จะถึงใจหรือจิตดั้งเดิมแท้ๆซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุเป็นพุท ธ, ธะเป็นนิพพานธาตุเป็นอรหันธาตุเป็นสุญญตาธาตุก็เรียกได้ทั้งหมดมันเป็นชื่อสมมุติ หรือเรียกว่าจิตดั้งเดิมแต่แท้วิญญาณดั้งเดิมแต่แท้หรือเรียกว่าใจดั้งเดิมแต่แท้ก็ได้หรือเรียกว่าวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ตามธรรมชาติก็ได้แต่มันคือความที่มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดๆเลยมันได้แต่รู้สิ่งใดที่มาเกิดขึ้นมันได้แต่รู้สิ่งใดที่มาเกิดขึ้นในใจแล้วก็ได้แต่รู้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ดับไป มันไม่มีความดิ้นรนทะยานอยากที่จะไปได้สิ่งใดอยากได้อยากเอาสิ่งใดต้องตาอุจจิโมงดิ้นกายใจเข้ามาครอบครองเป็นเจ้าของหรือมันไม่ได้เกิดความดิ้นรนทะยานอยากดิ้นรนผักใสกุศลิศลาคัญกับสิ่งใดที่ถูกรู้ในขณะปัจจุบันมันเลยรับรู้ทุกขณะปัจจุบันได้ความเป็นกลางสมดังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกผู้เทศเทนังสรวัฒนีมาเพย์ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดเนี่ย ลำใจให้ถึงซึ่งความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคือไปพบใจที่เป็นผู้รู้ทุกอย่างได้ความเป็นกลางไม่เอ็นเอียงเข้าไปนินันดรยานยากเข้าไปในฝ่ายความที่เป็นความรักความชังในฝ่ายที่ถูกใจและไม่ถูกใจเลยได้แต่รับรู้ทุกอย่างได้ความเป็นกลางผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลวงตาได้ถามหลวงปู่เหลียญเวลาโผล่ท่าก็ตอบแบบนี้ว่า หลวงปู่มีอะไรเป็นวิหารธรรมมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ท่านก็ตอบว่ารับรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางหรือเรียกว่ารับรู้ด้วยความเป็นอุเบกขาไม่ใช่ว่าอุเบกขานี่คือการรับรู้แล้วทําใจนิ่งนิ่งรับรู้แล้วทําใจเฉยเฉยอันนี้มันยึดถือยึดถือใจที่นิ่งใจที่เฉยอันนี้ไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขาคือรับรู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลางไม่มีความเอ็นเอียงไม่มีความรับเอียงเข้าไปรักหรือไปชังไปชอบอะไรแล้วไม่มีการรับรู้อะไรรับปรุงแต่งใจตัวเองให้นิ่งให้เฉยได้แต <im shr Senior> ่รับร e in ู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลาง รับรู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลางผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกทั้งปวงได้มันเหมือนอย่างนี้มันเหมือนกับที่ทุกท่านเนี่ยเข้ามาในกุฏินี้แล้วในกุฏิเนี้มันมีอะไรที่อยู่ในกุฏินั้นนี่บางตามที่ท่านเห็นเนี่ยเปรียบเหมือนของทุกอย่างที่ท่านเห็นในกุฏิเนี้มันเหมือนสิ่งที่มันอยู่ในตัวของเรา สิ่งที่ท่านเห็นว่าอยู่ในกุฏินี้ทั้งหมดเนี่ยที่ท่านเข้ามาเนี่ยเปรียบเหมือนยทุกอย่างในร่างกายในจิตใจเราเนี่ยบางมีของเหล่านี้คือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีสบายกายไม่สบายกายสบายใจไม่สบายใจสบายกายสบายใ จ, ยใยยใจมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นนี้มันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับว่าของทุกอย่างที่มีอยู่ใต้ถึงกุฏินี้ ส, สังเกตไหม เมื่อเปรียบของทุกอย่างได้ถึงกุฏินี้เหมือนกับทุกอย่างที่เป็นร่างกายเราทุกอย่างที่เป็นจิตใจทุกอย่างที่มันเป็นอาการทางกายทุกอย่างที่เป็นอาการทางใจทุกชนิดเลยรวมเหมือนเปรียบเหมือนถ้าเป็นร่างกายก็เปรียบเหมือนกุฏินี้ถ้าเป็นอาการทางกายอาการทางใจก็เปรียบเหมือนของทุกอย่างในกุฏินี้อันไหนที่มันเคลื่อนไหวได้ความรู้สึกนกินอารมณ์ที่เคลื่อนไหวได้ก็เปรียบเหมือนพัดลมที่เราเปิดเนี่ยไปพัดลมมันหมุนหมุนอยู่ก็เปรียบเหมือนเป็นจิตใจที่เคลื่อนไหว ท่านั้งใจไหมว่าเวลาท่านขับมณิกุติเนี่ยไอสิ่งที่เคลื่อนไหวคือพัดลมเนี่ยเคลื่อนไหวก็มีอยู่ไอโครงสร้างของกุฏิก็มีเปรียบเหมือนร่างกายของทุกอย่างในกุฏินี่ก็เหมือนอ ว, วัยวะทุกชิน้นอาการทุกชนิดก็เหมือนกับพัดลมนี่แน่เมือนก็บของที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้แต่ท่านไม่เคยปรารถนาอะไรไม่เคยอยาก อยากได้อะไรอยากได้อยากเอาอะไรในกุฏินี้เลยไม่เคยอยากได้อยากเอากุฏินี้และไม่เคยอยากได้อยากเอาของอะในกุฏินี้สำคัญมากนะตรงนี้ฟังให้ดีนะท่านเข้ามาในกุฏินี้ท่านไม่เคยอยากได้อะไรเลยไม่เคยอยากได้กุฏินี้ตัวอาคารกุฏินี้ไม่เคยอยากได้อยากเอา เคยอยากให้เป็นอะไรอยากให้เป็นอย่างนู้นในนี้อยากเป็นอย่างนั้นในนั้นเป็นอย่างนี้ท่านก็เห็นอยู่ว่าทุกอย่างมีในในตัวตัวกุฏินี้ตัวอาคารกุฏินี้ก็มีอาคารกุฏินี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นร่างกายของทุกอย่างในกุฏินี้ก็เปรียบเหมือนอวัยวะสิ่งที่เคลื่อนเคลื่อนไหวในกุฏินี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพัดลมเป็นเสียงที่พูดเนี่ยก็เปรียบเหมือนเป็นอาการทางกายอาการหางใจแต่ท่านไม่เคยมีความอยากได้อยากเอาอยากเป็นอะไรที่ที่ในนี้ แล้วท่านไม่เคยมีความรังเกียจดิรันดร์ฝักไสอยากให้มันหายไปท่านสังเกตดูสิท่าไม่มีความรู้สึกว่าอยากได้อยากเอามาเป็นของตนเลยไม่อยากได้กุฏิอันนี้ไม่อยากได้ของอะไรทุกอย่างในกุฏินี้มาเป็นของของเราแล้วท่านก็ไม่รังเกียจมันด้วยไม่มีอะไรที่ในกุฏินี้ท่านรังเกียจีิรันดร์ฝักไสที่จะทนมันไม่ได้ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากฟังไม่อยากพบไม่อยากประสบก็ไม่มี นั่นแน่ใจของท่านเป็นกลางถ้านจึงพนจากทุกได้ถ้านจึไม่อยู่ความทุกข์อะไรเลยกับกุฏินี้และของที่อยู่ในกุฏินี้ถ้าไม่รู้สึกมีความทุกข์อะไรเพราะท่านไม่ได้มีความอยากได้อยากเอาเข้ามาเป็นของตัวเองหรืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ท่านก็ไม่มีแล้วท่านก็ไ ม, ไม่ไม่รังเกียจที่เราสักใส่มันเลยในกุฏินี้ ท้งหมดท่านก็ไม่มีความังเกียจที่ดิ้นลไส้การที่ท่านเนี่ยรับรู้มันเนี่ยอย า, าอยากเป็นธรรมชาติรับรู้มันอยางเป็นธรรมชาติแบบที่ท่านรับรู้ที่กุฏิเนี่ยอยากเป็นธรรมชาติท่านไม่มีความที่รักมันโลภมันอยากได้มันเนาะเข้ามาให้เราแล้วท่านไม่มีความลังเกียจที่ดินหลุดผักสายมันแน่นๆเขาเรียกว่าการรับรู้ในกวามเป็นกลางรับรู้อย่างเป็นธรรมชาติตกติที่ไม่มีกิเลสตัณหาเข้าไปปน ถ้ายังไม่มีความทุกข์เกิดอะไรในกุฏินี้เลยตอนนี้ร่างกายของเราเอาวยัยวะร่างกายนี้อวยัยวะนี้ในร่างกายทุกชิน้นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จินใจอาการร่างกายอาการทางใจที่ดวงตา บ, บอกแล้วว่ามันเปลียนเหมือนร่างกายเปรียบเหมือนโครงสร้างของกุฏินี้อวยัยวะทุกส่วนก็เหมือนกับของทุกอย่างที่มันไม่เคลื่อนที่ที่มัน ของอะไก hey. well, ็ตามที่มันอยู่ในเนี้ยวางในเนี้ยเต็มเต็มไปเนี่ยแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันเป็นจิตใจที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันเกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนเหมือนกับเสียงลงตาที่กำลังพูดเนี่ยแล้วไอ้ใบพัดลมที่กำลังหมุนเนี่ยปฏิสิทิ์ที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงเหมือนกับจิตใจถ้าถ้าเห็นในร่างกายจิตใจเนี่ยหรือตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับร่างกายเตลี่ยเหมือนโครงสร้างของกุฏินี้วิทยว่าเหมือนของทุกอย่างในกุฏินี้ไอ้จิตใจที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเหมือนกับเสียงที่เราคุยกนี้ แล้วก็ใบพัดลมที่กำลังหุ่นนี้ถ้าท่านมันรับรู้มันทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางอยู่ตลอดเวลารับรู้ร่างกายจิตใจของเราด้วยใจที่เป็นกลางตลอดเวลาท่านจะพ้นจากทุกทั้งปวดไม่มีความทุกข์อะไรเลยนั่นแหน่ความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้ที่ท่านกล่าวว่าผู้ใดทำใจให้ถึงซึ่งความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวดเนี่ย ดิ่ผู้เทนเทนังสีท่านกล่าวไว้เนี่ยก็ตรงนี้เนะี่ยรับรู้ร่างกายจิตใจเนี่ยอยากเป็นธรรมชาติปกติคือไม่มีกิเลสตถาเข้าไปผลรับรู้อย่างไม่มีกิเลสตหาเข้าไปปนก็เรียกว่ารับรู้ได้ใจเป็นกลางคําว่ารับรู้ได้ใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าหลายคนไปแปลว่ารับรู้อย่างเป็นอุเบกขาหรือรับรู้ได้ใจเป็นกลางคือไปทําให้ใจมันเป็นกลางๆางไว้ พยายามไปปรุงแต่งใจให้เป็นกลางๆไว้พยายามไปปรุงแต่งใจให้มันนิ่งๆไว้พยายามไปปรุงแต่งให้ใจมันว่างๆไม่ให้ไปยึดอะไรอันนั้นผิดนะอันนั้นถ้าไปยึดถือแต่เขาเข้าใจว่าอย่างนั้นไม่ยึดถือยึดถืออะไรก็คือไปยึดถือความนิ่งๆความว่างๆไปยึดถือความเป็นกลางไว้คือเป็นกลางก็ไปปรุงแต่งให้เป็นกลางไว้ว่าไม่ให้เอเดียมไปตรงไหนก็ไปยายาพยายามไปล็อกหรือไปบล็อก ใจของตัวเองไม่ให้เอียงมาทางไหนหรือว่าพยายามไปทาใจตัวเองให้ว่างๆให้นิ่งๆให้เฉยๆปันเนี้ยเขาไปยึดนิ่งๆว่างๆเฉยๆไปยึดความเป็นกลางไว้แต่ล้มตามพยายามเลยพยายามเปรียบเทียบให้ฟังว่าจากความเป็นจริงๆเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเปรียบเหมือนอาคารกุฏิหลังนี้ หรกุฏิอาคารกุฏิหลังนี้เปรียบเหมือนร่างกายคือโครงสร้างของร่างกายของทุกอย่างในกุฏินี้เป็นเหมืนอนอวัยวะทุกส่วนในร่างกายไอ้ส่วนอาการทางกายอาการทางใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกอย่างเหมือนกับเสียงที่เราพูดคุยกันเนี่ยที่อัพเทสอยู่ยเนี่ยแล้วก็มีใบพัดลมเสียงพัดลมหมุนใบพัดลมหมุนเสียงพัดลมหมุนเนี่ยเสียงรุนเสียงนี้ที่ดัง แต่ท่านก็รับรู้ในกุฏิเนี่ยโดยที่ท่านไม่มีกิเลสตัณหาอะไรทุกอย่างในกุฏินี้ท่านไม่มีกิเลสตัณหาที่อยากจะเอาเข้ามาหาตัวและท่านก็ไม่มีความรังเกียจที่ลดฝักใสยอยากที่จะผัดกบจัดสิ่งทุกอย่างที่กุฏินี้ให้มันออกไปจากตัวหรือเราทนไม่ได้เราจะต้องออกจากกุฏินี้ไปเราทนสภาพอยู่เห็นไม่ได้ทนสภาพฟังไม่ได้เราจะอออกจากกุฏินี้ไปคือ ถ้าเราไม่พอใจมันมีสองกรณีคือเราต้องกำจัดสิ่งที่เราไม่พอใจหาวิถีกำจัดมันให้หมดไปให้มันหายไปให้มันดับไปกับอีกกรณีหนึ่งเรากำจัดมันไม่ได้เราเอาตัวเราเนี่ยหนีไปแก้งไปทำเมินน่นเมินนี่เมินนั่นที่เราบอกว่าทำเมินไปเมินมาไม่ยอมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจอันนั้นคือเราลังเกียรเราลังเกียรเราไม่รับรู้มันอย่างเป็นธรรมชาติปกติที่ไม่มี พัฒนาที่จะดูดอะไรเข้ามาหาตัวเองและไม่ไม่ไปผักทั้งไม่ดูดทั้งไม่ผักโดยที่ไม่ได้ไปปรุงแต่งจิตว่า een. เดินเข้ามาในกุฏิแล้วรีบปรุงแต่งจิตทํำใจเฉยๆไปเดี๋ยวจะไปหยากอะไรได้อะไรเข้าเดี๋ยวจะไปผักใส่อะไรเข้าก็ไม่เคยมีใครเดินมาเดินเข้ากุฏิ raised, แ, ล friend, แล้วก็มาลุยๆแล้วก็ออกกันไปฟังเสร็จก็ออกไปเดินกันเข้ามาแล้วก็ออกไปคนนี้เข้าคนนี้ออกไม่มีใครเดินเข้ามาต้องรีบพยายามปรุงแต่งใจไว้บอกว่า เดี๋ยวจะพยายามได้อะไรในกุฏินี้เข้าหรือว่าเดี๋ยวจะไปผักใสลังเกียจอะไรในกุฏินี้เข้าต้องพยายามทํำใจก่อนปรุงแต่งใจให้มันนิ่งๆให้มันเฉยๆให้มันว่างๆให้มันสงบไว้ไม่เคยมีแต่ทุกคนมาได้ใจที่เป็นกลางคืออะไรใจที่เป็นกลางคือไม่มีความอยากได้อะไรในนี้ไม่มีกิเลสตัณหาอะไรที่ในกุฏินี้แล้วก็มีความลังเกียจที่จะดิ้นรนผักใสหรือทนไม่ได้จะต้องหนีหนีออกไปไม่มีเหตุที่ไม่มีสองอย่างนี้คือไม่ถูกดูดกับไม่ถูกผัก ใจของเราเนี่ยนั่นแหน่เรียกว่าเป็นกลางไม่เชื่อว่าเราไปทําใจให้มันนิ่งๆ่งให้มันว่างว่างให้มันเป็นกลางๆอันนั้นเรียกว่าปรุงแต่งมเรียกว่ายึดถือรนึกว่าไม่ยึดถือมันยึดถือไปปรุงแต่งยึดถือไว้ให้ใจมันนิ่งๆ่งให้ใจมันว่างว่างเองอันนั้นเขาบอกไม่ยึดถือแต่มันพยายามไม่ปรุงไม่ยึดถือข้างนอกแต่มันยึดถือใจของเจ้าของไปทําด้วยใจของเจ้าของมันนิ่งๆ่งว่างๆงอยู่แต่พยายามให้ใจของเจ้าของเนี่ยไม่ไปยึดถือสิ่งใดภายนอกแต่มายึดถือใจของเจ้าของปรุงแต่งให้มันนิ่งงๆวเย เขาเลยพ้นทุกข์ไม่ได้ไงไม่ทราบว่าเขาเข้าใจไหมเนี่ยเปรียบเทียบเงี้ยมันชัดชัดคือความเป็นกลางเนี่ยรับรู้ได้ความเป็นกลางเนี่ยคือมันเป็นกลางโดยธรรมชาติต้องการอย่าผู้แก่นี้เนี่ยคือมันเป็นความรับรู้ที่เป็นกลางโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราไปปรุงแต่งของใจของเราให้พยายามทําให้เป็นกลางให้มันนิ่งๆให้มันจะเฉยให้มันสงบให้มันว่างๆอันนี้มันไม่เป็นกลางรับรู้ด้วยความเป็นกลาง ผู้ดใดรับรู้ทุกอย่างในความปกางผู้นั้นจะพ้นจากทุกตั้งปวงที่แน่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมักทิมาปฏิปทาไม่สุดตรงไปในความรักและฝ่ายที่เป็นความชังไม่เกิดกิเลสตัณหาดิ้นรนไปในฝ่ายที่เป็นความรักและความชังถ้าเราไม่เพลินใจติตใจยินดี มีความปรารถนาในสิ่งใดที่เป็นความลับแม้แต่ปรารถนาความสุขความทุกข์มันก็จะไม่มีเพราะอะไรถ้าเรายังปรารถนาสิ่งใดความไม่สมปรารถนามันก็ยังมีอยู่ในใจตลอดเวลามันก็เลยเป็นความทุกข์อึดอัดขับแกนใจที่ไม่ได้สมปรารถนาก็จะมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องปล่อยวางความปรารถนาแม้แต่ปรารถนาความสุขหรือปรารถนาผลิพาน ใจมันจึงไม่รู้สึกขับแค้นใจเพราะอะไรถ้าเราไปปรารถนายังปรารถนาจริงได้อยู่สิ่งนั้นย่อมทําให้เราเป็นทุกข์อยู่ในใจเพราะไม่ใจไม่พ้นจากทุกข์แม้แต่ปรารถนาความสุขที่ทุกข์ไม่มีหรือปรารถนาพระนิพพานตับใดที่ยังใจยังมีความปรารถนาอยู่ใจก็รู้สึกอัดขับแค้นขับข้องใจในความที่ยังไม่ได้สมปรารถนา ความทุกข์ก็จะยังไม่สิ้นไปเมื่อไรสิ้นความปรารถนาแม้แต่ความสุขหรือแม้แต่ความปรารถนาพานิพพานแล้วก็ไม่หลงปรุงแต่งไปยึดถืออะไรอีกแล้วนั่นแนะจึงจะพ้นจากทุกข์หรือบรรลุพระนิพพานจริงๆพุทธเจ้าตรัสรู้ในขณะที่บรรลุ เ, เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ตรัสว่าเมื่อความปรารถนาความสุขหมดไป ความทุกข์จึงหมดไปพร้อมเนี่ยพระองค์ติดอยู่อันเดียวอันสุดท้ายคือความปรารถนาความสุขหรือพันิพานพระองค์ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ทำให้พระองค์เนี่ยไม่บรรลุพันิพานถึงซึ่งความสุขจริงๆพระองค์ก็ยังปรารถนาสแสวงหาโหยหาอยู่นั่ น, นแหละแสวงหาความสุขสแสวงหาพันิพานที่สุดพระองค์ก็ไม่สามารถจะหาพบ จนพระ อ, องค์ได้ปล่อยวางความปรารถนาความสุขปล่อยวางความปรารถนาพรนิพพานลงแค่นั้นเนี่ยพอสิ้นความปรารถนาพรนิพพานก็ปรากฏทันทีเลยพระนิพพานก็เข้ามาสมทันทีเนี่ยฟังมีเข้าใจบ้างมไหม ม, มันจะลึกซึ้งละเอียดไปหรือเปล่าแต่ก็ตั้งใจฟังไว้ก่อน อย่าไปคิดว่าอย่าไปตั้งะ่ะอย่าไปตั้งค้าไว้ว่าเราบุญวาสนาบรารมีมีน้อยบางคนก็ไปตั้งค่าว่าเราเรียนหนังสือมาน้อยบุญวาสนาบรารมีเราไม่พอฟังยังไม่ไม่สามารถที่เข้าใจได้ถึงอย่างที่หลวงตาพูดหลอกอย่ า, ยาไปอย่าไปคิดตัดตอนแบบนี้นะใครที่ไปคิดตัดตอนเนี่ยไปคิดเบียดเบียนบุญวาสนาของตัวเองแบบเนี้ไปลดทอน บ, บุญวาสนาของตัวเอง ไปดูถูกบุญวัสนาของตัวเองอย่าไปคิดดูถูกบุญวัสนาของตัวเองนะเออไปคิดว่าอย่าไปคิดว่าเราบุญวัสนาบา ร, รมีน้อยหรือว่าไปคิดว่าเราไม่เรียนหนังสือไม่รู้หนังสือบุญวัสนาบา ร, รมีน้อยเราเรียนมาตามเรียนมาน้อยบุญวัสนาบา ร, รมีเรามันคงยังไม่ถึงอย่างที่หลวงตาพูดหรอกถ้าเราไปไปตั้ง ข้าไว้ในใจอย่างเนี้ยเท่ากับเราตั้งลูกบิดต่ํามากเลยหรือเราตั้งในอะไรแล้วสมัยนี้เขามีไอ้ลูกลอยเวลาเปิดน้ําใส่ถังอะแล้วมันมีลูกรอยเราไปเป็ดล็อกลูกลอยให้มันต่ําไว้ซะไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระริยสงฆ์พระแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มาสอนธรรมเราเนี่ยมีความปรารถนาดีขนาดไหนเททำทั้งหมดใส่ให้เต็มท้องฟ้า แต่เราเนี่ยไปตั้งลูกร้อยของเราซะต่ำมเลยว่าไม่เอาล้อเราไปรู้อย่างที่พูดถึงได้ลักเราไม่สามารถเป็นไปได้หรอกอย่างที่อาจารย์พูดอย่างที่หาาลวงตาพูดเนี่ยเรามันบุญวัสนาบาลมีน้อยเรียนมาน้อยไม่มีความรู้ความสามารถจะไปเข้าใจอย่างที่หลวงตาสอนได้รักตอนนี้เราฟังแค่นี้ก่อนพอแล้วไม่เอาล้อแล้วเราก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ฟังไปเลยอย่าไป อธิตั้งจิตแบบนี้บ่อยๆมันกลายเป็นอธิษฐานไปเลยนะแล้วที่สุดเนี่ยต่อให้ฝนตกมาทั้งฟ้าเมตตาจากพระพุทธองค์มาทำบารีโสมไม่ตายอะไม่มีทางที่จะเติมเข้าไปสู่จิตใจได้เลยเพราะอะไรมันไปไปไปปิดใจซะแล้วไปปิดกั้นใจซะแล้วด้วยเอาความคิดความรู้สึกไปปิดกั้นไว้ตัวเนี้หลายคนชอบทําแบบนี้หรือแม้แต่ไปคิดอย่างอื่นเรายังไม่ถึงเวลาหรอก เรายังมีเรื่องมากมายที่ต้องไปทําโลกนี้ยังสีวิไลเรายังอยากไปเที่ยวอยู่ยังไม่เอาหรอกยังไม่อยับไว้แก๋ๆ ค, ค่อยฟังเอาก็แล้วกันไปคิดตัดตอนแบบนี้อยู่เรื่อยๆมันทาให้เหมือนกับอธิษฐานจิตในใจแล้วฟังทําไม่รู้เรื่องเราทําไม่รู้เรื่องเพราะอะไรมันไปกั้นไว้ทั้งหมดแล้วไอ้ความคิดความรู้สึกเราไปกั้นหมดแล้วทําก็เลยไม่ไมหลเข้าสู่ใจได้แร้วเพราะเราไม่เปิดใจร้อเปอร์เซ็น มันจะรู้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เปิดไฟเปิดใจฟังมันร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีกักไม่มีปิดไว้เลยมันรู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนี่ยอย่าไปกักไปปิดอย่าไปตั้งลูกบิดต่ําอย่าไปตั้งอะไวาลน้ําต่ําหรือไปตั้งอะไรลูกรอยให้มันต่ําไว้เราไปตั้งลูกรอยต่าๆไว้ถังใหญ่เบ้อเธอฝนตกลงมาต้องฟ้าแต่ลูกรอยเราตั้งต่าไว้เลยได้น้ํานิดเดียวฝนผ่านไปแล้วก็ไม่เข้าใจสักทีแบบเนี้ย ไปปลดลูกรอยทิ้งให้หมดเลยไม่ต้องมีลูกรอยต่อไปมันมันมากเกินไปมันก็นล้นทิ้งไปเองอะทามันไม่มีมากเกินไปหลักมากยิ่งดีอย่าไปกักเอาไว้อย่าไปกั้นเอาไว้เปิดรับมันได้หมดเลยทาเนี่ยมากยิ่งดีมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีมันไม่มีล้นออกไปหรอกอย่าไปคิดว่ามันจะต้องไปกักไว้ ân, อย่างนู้นอย่างนี้ไปไปไปคิดเอาเงื่อนไขามาตัดตอนหมดนะเอ ปล่อยมัเลยลูก้อยเนี it. It okay. right? ่ยตัดทิ้งเลยปล่อยให้มันไหลเข้าเต็มที่ทําเนี่ยมีเท่าไหร่ไหลให้หมดเลยไม่มีมันไม่มีพอหรอกทําเนี่ยไหลเข้าไปเลยไหลเข้าไปเลยไหลเข้าไปในใจไหลไปให้หมดไหลให้ไปไม่มีหมดไม่มีพอเลยไหลเข้าไปเลยอย่างเงี้ยต้องนึกอย่างนี้นะมันถึงจะไหลเข้าไปได้ไปกักไว้ไปกั้นไว้มันไม่ไหลหรอกนะอตั้าใจมั้งไหมล่ะเนี่ยเออตั้งใจฟัง่ก็เปลี่ยน ตอนทุกวันทุกวันตั้งใจฟังกันนะตั้งใจปฏิบัติเข้ายัางไงมันก็ต้องได้เห็นผลม้างเราถ้าตั้งใจจริง